อันเชิญพระวจนะในหัวข้อดําเนินชีวิตในเสรีภาพพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมการเตียบททีห้าข้อหนึ่งถึงข้อ18ความว่าเพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ส่งโปรดให้เราเป็นไทยเยฉะนั้นจงตั้งมั่นได้แเข้าเทียมแอกเป็นทาตอีกเลยนี่แน่ข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านว่าถ้าท่านรับพิธีเข้าสุนัตพระคริสต์จะทรงทําประโยชน์อะไรให้แก่ท่านไม่ได้เลย ข้าพเจ้าเป็นพยานให้ทุกคนที่รับพิธีเข้าสุนัตทราบอีกว่าเขาถูกผูกมัดให้ประพฤติตามธรรมบัญญัติทั้งสิน้นท่านที่ปรารถนาจะเป็นคนชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติก็ขาดจากพระคริสต์และหล่นพ้นจากพระคุณไปเสียแล้วเพราะว่าโดยพระวิ ญ, ญญาณและความเชื่อเราก็รอคอยความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับเพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้นการที่รับพิธีเข้าสุนัตหรือไม่รับ ก็หาเกิดประโยชน์อันใดไม่แต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นกิจที่ทำโดยความรักนั้นสำคัญท่านกำลังวิ่งแข่งดีอยู่แล้วใครเล่าขัดขวางท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริงการเกล้ยกล่อมอย่างนั้นไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายเชื้อขนมเพียงนิดหน่อยย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นได้ทั้งก้อนข้าพเจ้าไว้ใจท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ท่านจะไม่เชื่อถืออย่างนอย่างอื่นเลยฝ่ายผู้ที่มารบกวนท่านนั้นจะเป็นใครก็ตามจะต้องได้รับโทษดูก่อนพี่น้องทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ายังเทศนาชักชวนให้รับพิธีเข้าสุนัตเหตุใดข้าพเจ้าจึงยังถูกคมเหงอยู่อีกเล่าถ้าเช่นนั้นกางเขนก็ไม่ใช่สิ่งที่ให้สะดุดแล้ว ข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั้นที่ทําให้ท่านยุ่งยากตอนตอนเองเสียเลยดูก่อนพี่น้องทั้งหลายที่ท่านที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพอย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดเพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคําเดียวถือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกัน จงระวังให้ดีเกรงว่าจะย่อยยับไปตามๆกันแต่พระเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทจึงกระทำไม่ได้แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่าน ท่านก็จะไม่อยู่ในใต้ธรรมบัญญัติครับขอสวัสดีตอนเช้าวันใหม่นะครับก็เป็นเวลานานที่ไม่ได้อยู่กับพี่น้องที่คือสจวัฒนาอ่าจริงปีนี้ก็เป็นปีที่ผมกับฟลอร์ก็ฉลองครบรอบแต่งงานส5สิบห้าปีแล้วก็อ่าผมยังคิดถึงเมื่อส6สิบหกปีที่แล้วที่เราหมั้นกันเราก็ ขึ้นขาวที่อยู่ด้านหลังบ้านของพ่อเป็นผูขาวแล้วก็ผมพาฟลอซึ่งเขาไม่ค่อยคุ้นเคยที่จะปีนขึ้นผู่ขาแต่ก็พาเขาขึ้นแล้วมาถึงยอดผู่ขาวผมก็คุกขาวกับตัวหน้าเขาแล้วก็เอาแผ่นกระดาษออกมาแล้วก็มีข้อแรกฟลอรพร้อมที่จะ ทำอาหารให้ผมทุกวันตลอดชีวิตของผมไหมข้อสองฟลอรพร้อมที่จะสักผ้าวิพ้าให้ผมตลอดชีวิตของผมไหมสามฟลอรพร้อมที่จะเป็นภาระที่ศาสตซื้อพี่น้องคิดว่าผมมีแผ่นกระดาษอย่างนั้นไหมไม่มีไม่มีนะคะ <laughs> ผมก็คุกข่าวแล้วก็ขอให้เข้าแต่งงานแล้วเขาก็ตอบรนะับ เราก็แต่งงานมา35ปีจริงจริงสิ่งหนึ่งที่ยาิที่เราจะเข้าใจในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนคือการมีแสวีภาพและพักคุณคล้ายๆกับว่าชีวิตคริสเตียนไม่ใช่อย่างมีแผ่นกระดาษและมีข้อ น, นี้ข้อ น, นั้นหนึ่งสองสาแล้วเราก็ทำตามข้อต่อกลงชีวิตกับพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้น แต่เมื่อเราเกิบต่อในบอริบทของเราที่เราก็ตั้งแต่เด็กก็พี่น้องที่เป็นคนทายก็จะรู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เราคุ้นเคยที่เราได้เหมาะตามที่เราได้ทำแต่เป็นสิ่งที่ยากที่เราจะได้เข้าใจว่าแท้ที่จริงชีวิตของเรากับพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์กับพระองค์ แล้วแม้ว่าเรายังไม่ดีพร้อมพระเจ้ายังทําสิ่งที่ดีให้สิ่งที่ดีกับเราเสมอซึ่งเป็นพระคุณของพระองค์ที่เรารู้สึกว่าเราเองไม่เหมาะสมและเข้าใจยาก mm hmm. เพราะฉะนั้นในข้อความที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้คือในบทที่ห้าของกาลาเทียบทที่บทบที่ห้านั้น ก็มันมีหลายข้อความที่เราได้อ่านแต่ว่าพอมอยากจะให้เราจับปังคำที่ปรากฏหลายครั้งในข้อเหล่านั้นคำแรกคือเสรีภาพก็ปากฏหลายครั้งอีกคำหนึ่งคือเนื้อหนังแล้วก็อีกคำหนึ่งคือธรรมปัญญาสามคำนี้ก็ปากฏหลายครั้ง ในข้อความที่เราอ่านและถ้าเราเข้าใจสมข้อนี้เราจะเข้าใจสิ่งที่เปา่ลกํ า, ากลังสอนพี่น้องที่กาลาเทียเนื่องจากพี่น้องที่กาลาเทียก็ถูกปีบที่จะเข้าสู่ธรรมปัญญาและให้ชีวิตคริสเตียนขึ้นกับกฎเกณฑ์ต่างๆแต่เปล่าเราก็บอกว่าไม่ใช่ฉั้นให้เราอธิษฐาน และเราจะขอการส่งนามของพระ อ, องค์ขอการเปิดเผยของพระ อ, องค์ในความเข้าใจของเราพระปิดาขอบพระคุณพ่อองในเช้าวันหนี้ที่พ่อองทรงสถิตยอยู่ท่ามกลางพวกเราทั้งหลายขอบคุณสมภ อ, องพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ดลใจเปาเราดลใจการเขียนพระคัมภีร์ข้อความนี้ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มีความประจักษ์แจ้งในจิตใจของ เราชงลายด้วยกันในพนามพระยเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคําแรกที่เราจะดูด้วยกันคือคําว่าเนื้อหนังพระคัมภีร์อธิบายว่าเนื้อหนังกับวิญญาณหรือพระวิญญาณมันขัดแย้งกันหรือต่อสู้กันเหมือนในข้อที่17บอกว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนัง ก็ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำซึ่งคล้ายๆกับในพระธรรมโรมบทที่เจ็ข้อที่18ที่เขียนไว้ว่าในเนื้อหนังของข้าพเจ้าปาวเรเป็นผู้เขียนในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีอยู่เลยแจฉนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่การดีนั้นไม่สามารถทาได้เลย คือขัดแย้งกันมันมีสิ่งที่ขัดแย้งในจิตใจแปโตรเหมือน ก, นกันก็เตือนเราให้เว้นจากด้นหาของเนื้อหนังซึ่งต่อสู้กับวิญญาณเจนและคงจะเป็นประสบการณ์ของเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนคือมีคล้ายๆเป็นสองคำภายในจิตใจของเรามันมีสิ่งที่ขัดแย้งวิถีของพระองค์ภายในเราเราคงทุกคน ก็มีประสบการณ์ในสิ่งเหล่านี้ใช้ที่จริงพระเจ้าสร้างเราด้วยมีความป่ารถนาธรรมชาติและความปรารถนาธรรมชาติเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งผิดไม่ใช่ความป่าถนาทุกอย่างจะต้องผิดไม่พระเจ้าสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ให้เรามีความป่าถนาในหลายอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นมีความป่าถนาที่จะได้รับเกียรติ เป็นธรรมชาติเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราอย่างมีเกียรติเป็นตามพระชายาของพระองค์เราจึงปราชนาโดยธรรมชาติที่คนจะให้เกียรติเรารมีความปราถนาสมรับการกินการเดิมซึ่งถ้าเราไม่มีความปราถนาเหล่านี้เราอาจจะอดตายความปราชนาในความสัมพันธ์ทางแพทย์ซึ่งภายในขอบเขตที่พระเจ้ากำหนดไว้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่สวยงาม ความปรารถนาที่จะพักพรเนื่องจากพระเจ้าสร้างเราอย่างจากัดเราจําเป็นต้องพักพรแต่เมื่อความผิดบาปก็เข้ามาซึ่งเหล่านี้สามารถเพี้ยนได้ที่เราเรียกว่าเป็นตันหาของเนื้อหนังเช่นที่จะรับเกียรติก็กลายเป็นความเย่อหยิงหรือที่เราจะกินก็กลายเป็นความตักกลัดหรือที่ความสัมพันธ์ทางเพศ ก็กลายเป็นการผิดประเวณีในหลายด้านหรือการพักผ่อนก็กลายเป็นความขี้เกียจซึ่งเหล่านี้ก็เป็นเอชิพรนของบาปที่เข้ามาพร้อมกับความบาถนาธรรมดาของเราทาให้เพี้ยนไปวรียกา่าเป็นจันหาของเนื้อหนังและสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปล่อยตัวตความในสิ่งเหล่านี้ก็จะขัดแย้งกับกฎไฟวิญญาณ ที่พระเจ้าต้องการจะสร้างขึ้นมาภายในเราแต่เราจะเห็นว่าในพระคัมภีร์เสมอซึ่งน่าจะเป็นที่ว่าเนื้อหนังทําลายจิตวิญญาณแต่เราควรจะให้เนื้อหนังได้รับการจํากัดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และทั้งความบาปชนาข้องว่าอยู่ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้เป็นสิ่งที่รับใช้พระเจ้าได้ แต่เราเห็นว่าในพาะคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวร์เราเห็นว่ามนุษย์มักจะพ่ายแพ้ต่อเนื้อหนังเสมออย่างเช่นคาอินฆ่าอาเบลเพราะความโกรธความมิจฉาหรือแม้แต่โมเสที่เรารู้สึกอยากจะยกย่องโมเส่สูงใหญ่แต่ว่าโมเสมันโกรธที่เวลาอิสวาลขบฏแล้วก็มันตีเห็น แล้วเป็นแหตุผ่อนชีพเจ้าไม่อนุญาตให้โมเสสเข้าในคานาอันด้วยเป็นเนื้อหนังดาเวทด้วยที่เป็นตามชอบประทายพระเจ้าแต่ว่าปล่อยตัวตามเนื้อหนังกับปะชีพาร่วมประเวณีต่อมาก็ฆ่าสามีเพื่อจะปอกปิดไว้ก็เป็นเนื้อหนังแม้แต่แปดโตรจจำได้ไหมที่แปดโรปาทิเซธพระเยซูไปเอาตัวรอดคือเนื้อหนัง คือเราจะเห็นว่ามนุษย์มักจะพ่าแพ้สเสมอต่อเนื้อหนังคำที่สองที่อยู่ในข้อความที่เราอ่านที่สําคัญคือชั่มปัญญัติตลอดพระคัมภีร์เดิมสิ่งที่เป็นภาพที่ทําให้เราเห็นว่าใครเป็นประชากรของพระเจ้าสั ญ, ญลักษณ์แห่งการเป็นปัะชากรของพระเจ้าคือกอดปัญญัติของพระ อ, องค์ อิสราเอลมีธรรมะปัญญัติ10บประการอิสราเอลเป็นชุมชนของพระเจ้ามีธรรมะปัญญัติ10บประการมีปัญญาต่างๆสำหรับกฎที่จะจำเนินไปในประเทศอิสราเอลหลายๆอย่างเป็นข้อปลิดย่อยหลายอย่างในเลวินิติในกันดันวิถีเราจะอ่านในข้อข้อความละเอียดอ่อนเป็นกฎมากมายและ สัญลักษณ์ที่เขาจะทำในร่างกายที่จะแสดงว่าเขาอยู่ภายใต้กฎปัญญัติคือเขาจะเข้าสุนัตเป็นภาพเพราะฉะนั้นเมื่อคริสเตียนในยุคแรกที่มาจากชาวอยู่มาเป็นคริสเตียนมีความสับสนว่าเขาควรจะทำยังไงในเรื่องกฎปัญญัติของพระเจ้าแล้วอย่างยิ่งเมื่อพี่น้องอย่างเช่นที่กราเียที่เป็นคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่ชาวอยู่มาเป็นคริสเตียนก็มีความสับสนว่าคนเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้กฎปัญญัต์ไหมแล้วมีกลุ่มหนึ่งที่พยายามผลดัดดันต้องถือปัญญตัติต้องเข้าสุนัตเพื่อจะเป็นคริสเตียนที่สมบูรณ์แต่บาเราชัดเจนมากในข้อนี้คือว่าบอกว่าท่านก็ไม่อยู่ได้ปัญญตัติไม่อยู่ได้ธ ร, รมบัญญัติ และก่อนหน้านั้นเปล่าเราได้อธิบายในบทที่สามข้อที่เป็นที่แน่ชัดว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรมบัญญัติได้เลยเพราะว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อเป็นโดยความเชื่อที่พระเจ้านับเราว่าชอบธรรมไม่ใช่เพราะเราทำตามกฎเกณฑ์ตั้งแต่อาบหอฮาม อาปาห์มก็นับว่าชอบทำอาปาห์มมาก่อนโมเสยมาก่อนธรรมบัญญัติโดยสัมปายแต่พระเจ้าถือว่าอาปาห์มชอบรำเพราะว่าพระเจ้าตราสกับอบปาห์มอบราห์มตอบสนองด้วยความเชื่อพระเจ้าประทับตราคือนับว่าชอบธรรมนั่นแหละเป็นชีวิตของเราถ้าอย่างนั้นทําไมมีธรรมบัญญัติก็เปล่าแล้วก็อธิบายต่อในข้อที่19กของบทที่สถ้าเช่นนั้น มีธรรมบัญญัติวัยทำใหม่ที่เพิ่มธรรมบัญญัติก็เพราะการละเมิดคือพระเจ้าเห็นว่ามนุษย์พ่ายแพ้เสมอผิดพลาดเสมอตอกในเนื้อหนังเสมอจึงมีกฎบัญญัติเข้ามาเพื่อจะให้รู้ว่าผิดเพื่อจะเตือนเมื่อผิดยกตัวอย่าง ในชีวิตของผมเองอเมื่อผมเป็นเด็กผมสนมากพมมีพี่ชายมีน้องชายแต่ผมสนที่สุดในพันดาลลูกๆของพ่อแมอ่พ่อแม่ปวดหัวมากกับผมผมชอบคน้นคว้าอยากจะสมรวจอะไรไม่พอใจที่จะอยู่นิ่งแต่ว่ามันต้องสมรวจตลอดหน้าบ้านราวเป็นถนนแล้วก็มีที่ระบายน้ําที่ถนน แล้วปิดที่ปลายน้ำเ ป, นเป็นฝาแหลกใหญ่หนาแล้วก็หนักมากผมอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรข้างในผมจึงเอาท่อนแหลกมาเสียบไว้แล้วก็ยกขึ้นมาได้แต่ในขณะที่ยกขึ้นมาเช้าก็ไว้ข้างในแล้วก็มันหลุดลองมาแล้วทับเช้าและเช้าใหญ่ก็หลุดไปมันเลือดหลาย แล้วแม่โกรธมากจนกระทั่งพ่อแม่มาตั้งกฎให้ผมว่าสตีฟห้ามยกแหลกหน้าบ้านมันปกติไม่ต้องมีกฎใช่ไหมแต่เนื่องจากผมมันผิดปกติมันต้องมีกฎพิเศษเพราะว่าชอบทำผิดพี่น้องเราเป็นเช่นนั้นมนุษย์เราเป็นเช่นนั้นเราผิดปกติ พี่น้องพูดกับเพื่อนบ้านว่าฉันผิดปกติไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องพูดแต่ว่าพูดกับตัวเองเราผิดปกติเราชอบทำผิดพระเจ้าจึงให้กดเกณฑ์แต่ว่ากดเกณฑ์แค่ที่จะเตือนเราพระเจ้าไม่เคยให้กดเกณฑ์เพื่อคาดหวังว่าจะเปลี่ยนให้เราปกติกฎปัญญาไม่สามารถเปลี่ยนคนที่ผิดปกติให้ปกติ ปัญหาอยู่ข้างในมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ต้องมีอะไรสูงกว่านี้จึงจะรับการเปลี่ยนแปลงได้ที่เป็นคำตอบพระเยซูตรัสในในในในยอห์นยอห์นได้เขียนไว้ในยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่สิเเราได้ธรรมบัญญัติมาผ่านโมเสสแต่ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์พระเยซูนำมิติใหม่เข้ามา นำสิ่งใหม่เข้ามาที่ไม่ใช่กฎปัญญาติเพื่อจะเป็นสิ่งที่แก้ไขาวาวที่ชอบตอกในเนื้อหนังคือข้อต่อไปที่วาวจะคิดถึงคำต่อไปคือเสรีภาพคือเ i ร e r t y คือเราต้องเพิ่มคำว่าในพระวิญญาณเพราะว่านั้นมันจะปรากฏในข้อความเป็นเสรีภาพในพระวิญญาณเราต้องเรียนรู้ที่จะดาเนินชีวิต ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเสรีภาพในขอ้อที่หนึ่งบอกว่าเพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จริงได้ส่งให้เราเป็นชายคือไม่ใช่อยู่ภายใต้เกาะปัญญารหรือในขอ้อที่18อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการสองนามโดยพระวิญญาณท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมปัญญาคือเป็นเสรีภาพที่ดาเนินชีวิตภายได้ พระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ผู้เคลื่อนไหวในชีวิตของเราคือตั้งแต่เรามาเชื่อพระเจ้าเราต้อนรับพระเยซูเสด็จเข้ามาในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาอยู่ในเราและพระวิญญาณทำหน้าที่ที่จะทำให้พระเยซูคิดเป็นจริงในชีวิตของเราให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ และให้ทุกสิ่งที่พระเยซูทาให้สำเร็จที่กลางแขนเป็นจริงในชีวิตของเราทั้งหลายและพระเยซูอธิบายว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราในยอห์นบทที่7ข้อที่37ข้อที่3าเราอ่านว่าถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราพระเยซูกําลังตรัสและให้คนที่หวังใจในเราเด่ม แม่น้ำที่มีน้ำตารองชีวิตจะไหลออกมาจากภายในขอนั้นและย้อนอธิบายต่อไปว่าที่พระยีสูตรัสอย่างนี้หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสาวกก็จะได้รับเหตุผลอที่ยังไม่ได้รับเพราะว่าพยีสูตรยังไม่ได้สิ้นประจรยังไม่ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าเมื่อเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปรียบเสมือนแม่น้ำที่ดารองชีวิตหลั่งไหล ภายในเราเป็นประสบการณ์กับพระเจ้าที่หลั่งหลายภายในจิตใจของเราเป็นแรงผลัก ด, ดันเป็นแรงจูงใจที่เราจะดำเนินชีวิตที่พอพระทยัยพระเจ้าต่อไปเราต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตโดยตอบสนองพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในจิตใจของเราพระเยซูจึงบอกคนที่ชอบศาสนา ว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยจองมาหาเราและเราจะให้พักคือเราจะให้เสรีภาพคือพูดกับคนที่ยูภายได้กดปัญญาตต่ดดางๆชาวยูวชอบกดปัญญามีกญญดมกญญากมายแม่แต่วันสบาโตพอตะวันดวงอาทิตย์ตกในวันศุกร์จนถึง เริ่มเห็นดวงดาวในวันเสาร์ตอนตอนคืนก็จะเป็นวันสบาทโธห้ามทำอะไรแม้แต่ถึงทุกวันนี้ชาวยูที่แข็งคัดวันสบาทโธตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกในวันศุกร์ห้ามทำอะไรแม้แต่จะเปิดสวิตไฟห้ามทำเป็นงานผิดวันสบาทโธเพื่อนผมก็เคยเป็นเพื่อนบ้านของชาวยูแล้วก็คร อ, อบครัว ของชาวอยู่ก็ลืมที่จะเปิดไฟทิ้งไว้ก่อนที่จะเริ่มวันสบาทโตเขาต้องเรียกเพื่อนเราที่จะไปช่วยเปิดไฟให้เพื่อจะไม่ผิดวันสบาทโตอ่ะมันเป็นกฎปัญญัติพริยสตราว่าบรรดาผู้ที่เหนื่อยแบกภาระหนักมันชีวิตเป็นพิธีกรรมชีวิตเป็นกฎกฎกฎจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านหายเหนื่อยเป็นสุข พี่น้องวาต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้ชีวิตคริสเตียนของเรากลายเป็นกฎเป็นหยาดเป็ น, ปนขอ้ขอจองข้อห้ามห้ามนี้จองนี้ยังยกตัวอย่างพี่น้องต้องมาโบสถ์ไหมโมศึกษาตอบได้ไหม <laughs> พี่น้องต้องมาโบสถ์ไหม <laughs> ตอบสมั ต, ตัวเองพี่น้องต้องมาโบสถ์ไหม เป็นกฎปัญญาติใช่หรือเปล่าพี่น้องต้องระาวาังที่มันง่ายมากที่เราจะให้กลายเป็นพิธีการเป็นกฎปัญญัตที่จริงเราควรมาโบสแต่ไม่ใช่ต้องมาโบสที่เป็นกฎพี่น้องต้องถวายทรัพย์ไหมถ้าเราบอกว่าต้องคือเป็นกฎ แต่พระเจ้าชอบผู้ที่ให้ด้วยใจยินดีใช่ไหมที่มาจากใจมาจากการตอบสนองความสัมพันธ์กับพ่อองค์ที่ฟลอทำอาหารทุกวันพ่อะกิดใช่ไหมไม่ใช่พ่อความสัมพันธ์พ่อความรักนี่แหละเป็นชีวิตคริสเตียนเราต้องเรียนรู้ที่อยาให้กลายเป็นพิธีกรรมเป็นสิ่งง่ายมากที่เราจะให้กลายเป็นพิธีกรรม แล้วเราก็สูญเสียสวิภาพทันทีเพื่อสวิภาพพระเจ้าได้เวียนชั้นอย่ากลายเป็นชาติอีกเลยทำให้แม่น้ำที่ตา ม, มองชีวิตหยุดหลายเมื่อเราทำให้เป็นกอดแต่เราควณจะตอบสนองแม่น้ำที่ตา ม, มองชีวิตแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าถ้าย็านานเราไม่มีกอดเราจะปล่อยตัวตามเนื้อหนังไปเร <c oughs> าเราก็จึงบอกว่าอย่าเถอโอกาสใช้สวิภา พ, พเพื่อทำตาม เนื้อหนังเออเราไม่ต้องมาโบดเออวันนี้ก็ขี้เกียจง่วงนอนเดี๋ยวนอนยาวไปเลยวันนี้อันนั้นเกิดเนื้อหนังอันนั้นไม่ใช่คําตอบด้วยถ้าเราปล่อยตัวตามเนื้อหนังวราจะกลายเป็นชาติของเนื้อหนังนั่นไม่ใช่เสรีภาพด้วยที่จริงพระวิญ ญ, ญาณบริสุทช่วยเราให้วราเอาชนะเนื้อหนัง เราอธิบายในข้อที่16ว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจองดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังพี่น้องยกตัวอย่าง1 9ึ่งเกาคำแปลเมื่อกี้ที่เราอ่านเป็น1 9ึ่งเก้าเบอกว่ายาอย่ า, ยาทำอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังแต่แท้ที่จริงภาษากรีกและภาษาอังกฤษ มันมันมันจะตรองกันแล้วก็รองกับ197 2018ที่คำแปลคือว่าแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการที่เราไม่สนองความต้องการเป็นผนของวัคแรกเราดำเนินชีวิตตามพระวิญ ญ, ญาณเราปักใจกับพระวิญ ญ, ญาณเราเอาใจใส่แม่น้ำที่ดำรงชีวิตภายในเราความสัมพันธ์เสน็หกับพระเยซูภายในใจ แล้วเราจะไม่สนองความต้องการไม่ใช่ว่าเราเอาเนื้อหนังมาอยู่ภายใต้กดกฎเกณฑ์ น, นั้นไม่ใช่คําตอบสำหรับเนื้อหนังแต่คําตอบสำหรับเนื้อห น, งหนังคือตอบสนองพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ปักใจกับพระวิญ ญ, ญาณเอาใจสิ่งที่อยู่เบื้องบนนอกจากนั้นพระวิ ญ, ญญาณช่วยเราที่จะทําให้ทำบามัญญิสําเ็จอย่างแท้จริง ช่วยรารักษาธรรมบัญญัติยางแท้จริงคือวิญญาณของธรรมบัญญตัติเหมือนพระเยซูหลายคนต่อว่าพระเยซูว่าพระเยซูผิดธรรมบัญญาติแต่แท้ทจริงอย่างเช่นในวันสบาทโตทพระเยซูก็แก็บข้าวสาลีบ้างทำบางสิมรักษาลูก ในวันสมาโตที่จริงพระเยซูรักษาวิญญาณแท้จริงของวันสมาโตที่จะนําการปลอกปล่อยเข้ามาแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทดําโดยอยู่ภายใตย้ปัญญาแต่โดยตอบสนองการทรงนามของพระเจ้าในชีวิตเช่นเดียวกับเราพระวิญญาณ น, น, นาเราวราก็จะรักษาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าวิญญาณที่แท้จริงของธรรมบัญญัติด้วยการ เพราะว่าบอกในเร็์บทที่8ข้อที่4บอกว่าเพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะได้สำเ็จในตัวเราที่ดำเนินตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามธรรมบัญญัติแต่ตามพระวิญญาณแต่ธรรมบัญญัติจะสำเ็จในเราเพราะฉะนั้นเราควรจะดำเนินชีวิตโดยมองพระเยซูพัฒนาความสัมพันธ์กับพระองค์ความสนิทสนมกับพระวิญญาณ ภใและให้สิ่งเหล่านั้นเป็นแรงจูงใจของเราเสมอในสิ่งที่เราทำท่านยะันต์ทำบัญญัติยังเป็นประโยชน์ต่อเราไหมยยังเป็นประโยชน์อยู่ยังเป็นประโยชน์อย่างน้อยในสามด้านคือจะเหมือนกระจกนําให้เราเห็นว่าพระเจ้ามีพัลลักษณะแบบไหนอันที่สองจะเตือนเราเมื่อกําลังจะพลาด หรือเรากำลังทำให้พระเจ้าเสียพระทยจะช่วยเราให้รู้ว่าอะไรดีอะไรอะไรไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเท้งรรมบัญญตัติแต่อย่านำตัวอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติเหล่านั้นปักใจกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ฉะนั้นสรุปทีจริงเราสามารถสรวปสิ่งที่เราได้พูดในเช้าวนันนี้ด้วยภาพเป็นภาพเปรียบเทียบ คนที่กำลังเดินบนยอดหลังคาบ้านซึ่งแท้ทจริงไม่ได้แนะนำให้ทำเพราะว่าอันตรายมันตอกได้ง่ายใช่ไหมมันมันอยู่บนเส้นที่อยู่ข้างบนเป็นการที่เป็นภาพเปรียบเทียบของชีวิตที่เดินด้วยพระคุณของพระเจ้าในเสรีภาพในพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์แต่ถ้าว่าไม่มัดระวังเราอาจจะตอกข้างหนึ่งคือกอดปัญญัติหรือตอกอีกข้างหนึ่ง คือเนื้อหนังในบทวิบบอกของเราง่ายมากอย่างที่เราพูดคือให้การดำเนินชีวิตเป็นพิธีกรรมเป็นสิ่งที่เราต้องทาต้องทาก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่เราจะตอกในกอดปัญญาติหรือเป็นสิ่งที่ง่ายมากที่เราปล่อยตัวจามเนื้อหนังของเราลองฟังคําพยานของคนชื่อว่าคุณสุเทพ ไม่ทราบมีใครชื่อสุเทพที่นี่ไหมแต่มไม่มได้หมายถึงใครที่นี่นะครับคุณสุเทพเป็นคริสเตียนสองปีอยู่ในคริสตจักรที่ร้อนรนคุณสุเทพจึงร้องรนด้วยในการถวายเวลาการอุทิศตัวในการบนิบปติพเจ้าโดยรู้ว่าการอุทิศตัวนั้นจะทำให้ทั้งพระเจ้าและผู้นำคริสตจักรประทับใจ คุณสุแทพ ต, ต, ตั้งมาตรฐานสำหรับตัวเองสูงมากและเมื่อใดที่ไปไม่ถึงมาตรฐานนั้นจะรู้สึกว่าพระเจ้าตำหนิและคนอื่นตำหนิที่จริงผมเองเป็นคุณสุแทพผมเป็นอย่างนั้นหลายปีในช่วงแรกๆของชีวิตคริสเตียนก็มาเชื่อพระเจ้าในกลุ่มที่ร้อนรอนมาก และส่วนมากมันจะวัดความร้อนรอนายวิญญาณคือว่าการฉไว้เวลาในกิจกรรมทุกอย่างที่ตั้งไว้และผมก็ตั้งมาตรฐานสูงมากแต่จะรู้สึกผิดเสมอแล้วถึงแม้ว่ามาเป็นคริสเตียนตอนแรกมันชื่นใจมากที่ได้ต้อนรับพระเยซูตืนเต้นมากในความสัมพันธ์หมายกับพระองค์แต่พอเวลาผ่านไปก็กลายเป็นกิจกรรมกลายเป็น ที่ต้องทําต้องทําต้องเฝ้าเดียวต้องนําคนอื่นมาเชื่อต้องมาโบต้องเข้าประชุมนี้ผ้าประชุมนั้นผ้ประชุมแล้วพยายามจะวัดตัวเองว่าผมสามารถได้ไหมในสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวกําลังเข้าสู่เกาะปัญญัติแทนที่แล้วสูญเสียสวิภาพที่แ ท, ท้จริงเป็นของเราในพระวิญ ญ, ญาณบริสุทการมีมาตรฐานที่สูงก็ไม่เพด แต่การที่ใช้เป็นกฎปัญญัติเราก็จะพลาดจะน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์แต่ในเวลาเดียวกันมันง่ายมากที่เราจะปล่อยตัวตามเนื้อหนังพี่น้องถ้าเราปล่อยตัวตามเนื้อหนังแล้วเราแพ้แพ้ต่อเนื้อหนังพระเจ้าให้อภัยไหมพระเจ้าให้อภัยและเรา พ่ายแพ้ตอนเนื้อหนังอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าให้อภัยไหมพระเจ้าก็ให้อภัยแล้วอีกครั้งหนึ่งเราพ่แพ้อีกครั้งพระเจ้าให้อภัยไหมพระเจ้ายังให้อภัยอันนี้เป็นสิ่งอัศจรรย์มากที่เกี่ยวข้องกับพระคุณของพระองค์แต่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่เราเจอท่ายานะเราก็ปล่อยตัวไปเลยแล้วก็ขอรับกันให้อภัยไปเรื่อยๆแล้วพอใจอย่างนั้นอย่ํายาให้เป็นอย่างนั้น พระเจ้ามีอะไรสูงกว่านี้ในความสัมพันธ์เสน่หกับพระองผู้ที่เข้าเสน็หในพระองจะไม่ปล่อยตัวตามเนื้อหนังอย่างนั้นพี่น้องในภาพนี้ท่านเองอยู่ตรงไหนอยู่บอนยอดไหมหรือตอกข้างหนึ่งข้างใดแล้วอยากจะถามว่าถ้าจะตอกข้างหนึ่งข้างใดตอกข้างไหนดีกว่า ส่วนมากคนจะตอบว่าต่อข้างธรรมบัญญัติก็ปลอดภัยกว่าแต่พี่น้องลองคิดถึงคำอุปมาของพระอีสุปุฒน้อยที่หลงหายปุฒน้อยเป็นภาพของเนื้อหนังตามใจตัวเองปล่อยตัวใช้สับสนบาดจากพ่อปล่อยตัวจนหมดเกลี้ยงสุดท้ายปุฒน้อยมาถึงจุดที่รู้ตัวแล้วกลับมา และสามารถกลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพ่อพ่อเปิดใจรับเป็นลูกและอยู่ในแสวงภาพกับพ่อแบบพรกคุณแต่พี่ชายคนต่อเป็นภาพของอะไรกอดปัญญัตคือพี่ชายมันบ่นกับพ่อว่าทำไมรับน้องกลับมาดูสิผมรับใช้พ่อองตลอดผมรับใช่พ่อตลอดทำทุกอย่างให้พ่อพ่อไม่เคยเลี้ยงเรา เป็นกฎปัญญัติแล้วชาวชีวาวาอ่านไม่มีวันที่พี่ชายมาถึงพ่อจริงๆในความสัมพันธ์ที่มีแสบิภาพมันคงจะหลอกตัวว่ามันถูกแล้วปัญหาของกฎปัญญัตเราคิดว่าเราถูกเพราะว่ า, าทำทุกอย่างแต่เรามีความสัมพันธ์เสน่ห์ใหม่สุดท้ายผมอยากจะเป็นพยานว่า35ปีผ่านไปที่เราแต่งงานด้วยกัน ผมขอบคุณพระเจ้าสมัครฟลอขอบคุณพระเจ้าที่เขาทำอาหารให้พร้อมกับทุกวันเขาวิพาสักผ้าให้พร้อมทุกวันแต่ไม่ใช่พ่อเป็นกฎปัญญัติแต่พ่อมีความสัมผัสรักด้วยกันและนี่แหละพระเจ้าปรารถนาสมบูวาทุกคนให้เราอธิฐานด้วยกัน สัตุการาพระบิดาสำนับสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเยซูดได้เปิดไว้ให้เราเป็นพันธสัญญาใหม่ที่พ่อองค์บรรจุวิญญาณของพ่อองค์ว้ในใจของเราเป็นเหมือนแม่น้ําที่ดําองชีวิตที่หลังหลายภายในขอพ่ อ, อช่วยเราทั้งหลายที่ เราจะไม่ให้แม่น้ำนั้นหยุดหลาด้วยเนื้อหนังของเราที่ขัดแย้งกับวิญญาณและขอพ้องช่วยเราที่เราจะไม่กลายเป็นกฎปัญญัติเช่นเดียวกันขอพ้องให้เราทุกคนมีการดําเนินต่อไปในเสรีภาพของพระวิญญาณบริสุทธิขอบคุณพ้องที่พ้องรักษาเราไว้ ขอพระวิญญาณเปิดเผยพ้องมากขิงขึ้นกะเววในจิตใจของเววในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน